ธรรมะที่ดับวิญญาณ น, นั้นต้องเป็นธรรมะที่ไม่ตั้งอยู่ไม่เกิดขึ้นและไม่ดับไปซึ่งเป็นอสังคตธรรมเนี่ยนะเป็นธรรมที่สงบสังขารนะนะเป็นธรรมที่สงบวิญญาณเมื่อตรัสรู้ธรรมที่สงบวิญญาณนั่นะแหละวิญญาณจึงจะดับเมื่อวิญญาณดับนามรูปก็ดับนะท่านก็เกิดโยนิโสรู้เลยว่าถ้าดับวิญญาณได้ นี่ต่อไปอีกดูความพิกษุทั้งหลายต่อจากนั้นพระวิปษษัสสิโพธิสัตว์ก็ดําเนินอีกว่าเมื่ออะไรไม่มีเล่าเนาะวิญญาณจึงดับเมื่ออะไรดับวิญญาณจึงดับภิกษุ์ทั้งหลายครั้งนั้นแลการตรัสรู้ด้วยปัญญาเพราะการทําไว้ในใจโดยอุบายอันเย็บคายว่าเมื่อนามรูปไม่มีวิญญาณย่อมไม่มีเพราะนามรูปดับวิญญาณจึงดับ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 ปีติปีติเป็นเหตุแห่งปัจสัานะปัจสถทนะเป็นเหตุแห่งสุขสุขเป็นเหตุแห่งสมาธิสมาธิเป็นเหตุแห่งยะถาภูตยานทัศนะยะถาภูตยานทัศนะเป็นเหตุแห่งนิพพิทาวิราคะตัววิราคะนี่แหละที่ไปแทงตลอดว่าถ้านามรูปไม่มีวิญ ญ, ญ, ญ, ญาณย่อมไม่มีนะมัน ก, ก็เป็นคุณธรรมชั้นสูงมากนะคือในพุทธพจน์เหล่านี้เนี่ยจริ ง, รงๆแล้วซ่อนอะไรอยู่ในนั้นเยอะมากนะ ซอนไว้ถ้าจริงๆอ่ะถ้าอธิบายเป็นตําราเขาอธิบายไว้อีกเป็นเล่มๆนั่นแหละจึงจะเข้าใจเพราะนี้เป็นวิสัยของผู้มีปัญญาอย่าลืมว่าสูตรเหล่านี้จะไม่แสดงแก่คนเขาแน่นอนนะพระสูตรเหล่านี้แสดงกับคนที่พระพิสูจน์ที่ฟังสูตรนี้เป็นพระพิสูุกลุ่มที่เจริญพุทธคุณเจริญพุทธานุสติบุคคลที่เจริญพุทธานุสติจริงๆและฉลาดมากเป็นศรัทธาก็จริงแต่เป็นศรัทธาที่ประกอบด้วย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 บทว่ามัคโคคือวิปัสสนามัคโธทายะเพื่อตรัสรู้สัจจะสหรือเพื่อตรัสรู้นิพพานอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าโพธิเพราะตรัสรู้อันนี้เป็นชื่อของอริยมรรณะหรือท่านกล่าวบอกว่าบทนี้กล่าวเพื่อประโยชน์แก่อริยมรรณเพราะอริยมรรณมีวิปัสสนาเป็นมูล น, นะท่านก็แปลว่าเพราะอะไรการพิจารณาอะไรนะโทษทีหนทางเพื่อความตรัสรู้นี้เนี่ยนะ อัตรกระฐานหน้าหนึ่งร้ามสิเนี่ยนะที่บอกว่าหนทางก็คืออริยมรตมรตตัวนี้คือวิปัสนาวิปัสนามรตคือวิปัสนาหรือมรตคืออริยมรตเพื่อการตรัสรู้อริยสัจหรือเพื่อการตรัสรู้พระนิพพานเนี่ยเราได้บรรลุแล้ว น, น, นะอันนี้เป็นคํายืนยันของพระองค์ น, น, นะนะของพระวิปัสสีโพธิสัตว์วันนี้แหละใช่เลย หนทางเพื่อการตรัสรู้หรือข้อปฏิบัติวิปัสนาวิสุทธิเพื่อแทงตลอดอริยศัสตร์เราได้บรรลุแล้วเพราะแทงตลอดแล้วอย่างนี้ว่าเพราะนามรูปดับด้วยอริยมร์วิญญาณจึงดับนะวิญญาณาเรียกว่านามรูปดับวิญญาณจึงดับ บทอันหนึ่งในบทนี้ท่านแสดงถึงนิพพานเท่านั้นด้วยปฐมาวิพัฒว่าวิญญาณนิโรธโเป็นต้นมันคำว่าวิญญาณนิโรธเนี่ยนะเะพราะนามรูปดับวิญญาณจึงดับอันนี้นินโรธวิญญาณนิโรธตัวนั้นเป็นชื่อของพระนิพพานนะเมื่อเจริญอริยมรรคอันนั้นท่านบอกว่าขยายความมรรคจึงกล่าวคําว่ายะทิทางนา ม, มรูปนิโรธาเพราะนามรูปดับเป็นชื่อของมรรควิญญาณจึงดับเป็นชื่อของนิพพานเนี่ยนะนะนะ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 สโสกาปริเทวทุกโทมณตและอุปาญาตจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการชนีเพราะนพุทธพจน์ตรงนี้พูดมรรคผลอย่างเดียวพูดวิปัสนามรรคผลนิพพานการแตสรู้ข้อปฏิบัติที่สําเร็จด้วยวิปัสนามรรคผลและนิพพานเท่านั้นเองดูความพิสูจทั้งหลายจากสุญานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดว่านี้ น, นิโรธ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 เป็นธรรมที่ดับชราและมรณะพระนิพพานนี่แหละเป็นธรรมที่ดับชาติพระนิพพานนี่แหละเป็นธรรมที่ดับภพพระนิพพานนี่แหละเป็นธรรมที่ดับอุปาทานพระนิพพานนี่แหละเป็นธรรมที่ดับตัณหาพระนิพพานนี่แหละเป็นธรรมที่ดับเวทนาพระนิพพานนี่แหละเป็นธรรมที่ดับผัสะพระนิพพานนี่แหละเป็นธรรมที่ดับสลายตระหพระนิพพานนี่แหละเป็นธรรมที่ดับนามรูปพระนิพพานนี่แหละเป็นธรรมที่ดับวิญญาณ ถ้าก็แต่รู้อันนี้แหละใช่เลยนะนะจักสุปัญญาวิชาแสงสว่างตรงนี้จะสอดคล้องกับข้อความในธรรมจักรเลยใช่ว่าจากักษุนะจักสุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราวันนี้ทุกนี้ทุกคนกําหนดรู้ทุกเราได้กําหนดรอบรู้เสร็จแล้วนะน ะ, นะหรือว่าท่านิโรสัจจกบอกว่าจักสุปัญญาวิชาแสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้รู้มาก่อนว่านี้นิโรธนะหรือที่เราวัานนี้ทุกขนิโรธทุกขนิโรธเราได้ทำให้ทำนิโรธทุกขนิโรธควรทำให้แจ้งทุกขนิโรธเราทำให้แจ้งแล้วนะความรู้ความเห็นจากสุยานปัญญาวิชาแสงสว่างตัวนี้เป็นชื่อของอริยมรตเป็นชื่อของโสดาปฏิมรตเป็นต้นที่เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลาย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 เพราะถ้าใครเข้าใจปฏิจจะก็คือเข้าใจอริยสัจเข้าใจอริยสัจก็คือเข้าใจปฏิจจสมุปบาทเพราะโดยอัตถะความมุ่งหมายแล้วไม่ต่างกันดูกอาพิสูจนทั้งหลายสมัยอื่นอีกสมัยอื่นก็คืออะไรสมัยต่อจากการพิจารณาเหตุเกิดและความดับกาพิจารณาปัจจัยมีชาติชาติพบอุปาทานเป็นต้นเนะนะ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 ขันห้านั้นเป็นอะไรเป็นชาติชราและมรณะสังขารขันเป็นภพอุปาทานตัณหาอุปาทานเป็นสังขารเนี่ยนะเป็นสังขารขันเวทนาเป็นเวทนาขันภาษาเป็นสังขารขันสลายตนะเป็นรูปประขันและวิญญาณขันนามรูปก็เป็นขันหานะคือเว้นวิญญาณขันวิญญาณก็เป็นวิญญาณขันก็แต่สรุ้ว่าทั้งหมดนั้นถ้าจะกล่าวไปแล้วก็คือ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 รูปเนี่ยนะลักษณะที่ไม่เที่ยงแห่งรูปฉนั้นพระองค์ก็รู้เลยว่านี้รูปคําว่ารูปเนี่ยนิยามคำว่ารูปเนี่ยพบที่มีรูปชื่อว่าแสดงหมดแล้วะนะพบที่พบที่ประกอบไปด้วยรูปเช่นอเอกโวการะพบกับปัญจโวการะพบนั้นชื่อว่ากล่าวไว้แล้วก็เป็นพบที่มีรูปเหตุให้เกิดรูปเพราะเหตุปัจจัยดังต่อไปนี้ถ้าเจริญอริยมรจนแทงตลอดพระนิพพาน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 ดังที่กล่าวไว้แล้วนะว่าธรรมะเหล่านี้ถ้าหากว่าเราเข้าใจอย่างแท้จริงนะเราก็คือพระโสดาบันเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งคิดว่าเราเข้าใจโอลึกซึ้งเกจ่มแจ้งเป็นต้นบอกว่าอีกนานเนี่ยนะก็ว่าแพ่อะไรนะแค่เข้าใจอย่างที่ท่านบอกนี่ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลของเรามหาศาลแล้วอนะันนที่ได้คิดตามเพราะว่าที่เราจะเข้าใจอย่างชนิดละเอียดลึกซึ้งเนี่ยนะก็ต่อเมื่อนันะ่นแหะ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 หน้าที่บอกเป็นของท่านหน้าที่ปฏิบัติเป็นของผมเหือนนเพราะฉะนั้นขอให้ท่านบอกให้ผม <im itation> ผมเข้าใจอย่างที่ท่านบอกและที่เหลือผมจะไปทำผมเองเหมืก น, นการปฏิบัติทั้งหลายก็ต้องเป็นอย่างนั้นการศึกษาพระธรรมทั้งหลายก็ต้องเป็นอย่างนั้นใส่ใจได้อย่างนั้นถ้าใส่ใจได้ตามนี้แต่สรู้ได้ ก, ก, ก็ก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรแต่ทีนี้ถ้าเราอยากคิดว่าเราเข้าใจได้นะเข้าใจโดยสุตตมา ย, ายานระดับหนึ่งก็แล้วค่อยๆเพิ่มพูนขึ้น เพิ่มพูนเป็นศีลมียาญาณสมาธิภาวนามายาญาณปัตจยาปริฆายาณเพิ่มพูนปัญญาความตรัสรู้เหล่านี้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าเพิ่มพูนความปัญญาตรัสรู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นแหละการปฏิบัติเพื่อทําที่สุดแห่งทุกจึงจะมีได้อย่าลืมว่ากองทุกไม่ใช่เป็นสิ่งที่เปลื้องกันง่ายๆนี น, นะทุกในวัตฏะเนี่ยเปลื้องยากมากนะ่ยนะ เพราะว่าทุกในปัจจุบันในชาตินี้ก็ยังแก้ไม่ใช่แก้ง่ายๆเลยนะคิดว่าแก้ปัญหาเนี่ยแก้ทุกไปวันๆหนึ่งดับปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องก็ไม่จะไปจะแก้ง่ายและปัญหาที่ดับวัตถทุกเนี่ยนะก็ต้องอาศัยปัญญาที่กล้ามากปัญญาที่แหลมคมมากแต่ว่าปัญญาก็ต้องมีองค์ประกอบคืออริยมรรคที่เหลือเจข้อเนี่แหละเป็นองค์ประกอบของมรรคมรรคนั่นแหละจึงจะสา ม, มารถทำที่สุดแห่งทุกได้